บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมธประภาคษอรหันตอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมตั้งสติ พิจารณากายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ทั้งสี่ข้อนี้ย่อมรวมกันอยู่ ในกายและจิตนี้ของทุกๆคนดังในบัตรนี้เมื่อตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้ ก็เป็นตั้งสติกำหนดกายพิจารณากายและเมื่อกายคือลมหายใจเข้าออกปรากฏเวทนาก็ย่อมตั้งอยู่ที่กายนี้ จิตก็ยําตั้งอยู่ที่กายนี้และทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวธรรมอารมณ์ที่ตั้งอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นทั้งสี่นี้จึงรวมกันอยู่ เป็นแต่เพียงว่าเมื่อตั้งสติกำหนดข้อไหนข้อนั้นก็ปรากฏขึ้นแกสติและข้ออื่นก็รวมเข้ามาและเมื่อตั้งสติกำหนดในกาย คือลมให้ใจเข้าออกเมื่อสติตั้งมัน่นกายละเอียดเข้าเวทนาก็ปรากฏชัดขึ้นก็จับเวทนารู้สุกรู้ทุกหรือเป็นกลางกลางไม่ทุกไม่สุขได้ และเมื่อเวทนาปรากฏชัดจิตก็ปรากฏธรรมะในจิตก็ปรากฏและ่ทั้งหมดนี้ก็รวมกันเป็นธรรมะอยู่ในจิตด้วยเป็นตัวธ ร, รมและในการปฏิบัติธรรมสตินั้น ใช้ปัญญากำหนดดูกระแสของจิตซึ่งเป็นไปเพราะความเป็นไปของกายเวทนาจิตธรรมนี้ ย่อมปรุงเวทนาเวทนาย่อมปรุงจิตก็เป็นธรรมะขึ้นในจิตขัดกำหนดในสายธรรม คือจับเอาอาณาจัภายในภายนอกที่ประจวบกันซึ่งปรากฏการประจบกันอยู่เสมอตากับรูป กับเสียงจะูกกับกลิ่นลิ่นกับรสกายและขลทัพะสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวเมื่อลืมตาขึ้น ก็ย่อมเห็นรูปหูมากระเสียงมากระทบหูก็ย่อมได้ยินเสียงกลิ่นมากระทบจมูกก็ย่อมทราบกลิ่นเล่นมากระทบรถมากระทบเล่นก็ย่อมสราบรถโคตพะมาถูกต้องตายก็ย่อมทราบ ผลทพะแม่ว่าความเย็นความร้อนเลืบยุงอะไรเป็นต้นก็เป็นผลทพะคือสิ่งที่มากระทบกายให้สราบเย็นทราบร้อ น, อนเป็นต้นและแม่ ยังไม่รับทางอายตระณะทางห้า้างตนดังกล่าวมานี้ธรรมะคือเรื่องราวก็ยังโผล่ขึ้นในใจเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ได้ประสบพบเห็นมาแล้วได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นต้น เมื่อวันนี้วันซืนนี้ข้านี้เหล่านี้หัดทาสติกำหนดอาจิตนะภายในภายนอกที่มาประยุบกันความที่หัดกำหนดดังนี้ ก็จะทำให้ได้รู้วาระจิตในขณะนั้นด้วยว่าจิตผูกหรือไม่ผูกจิตผูกเรียกว่าสัญญอดสัญญ์เกิดจิตไม่ผูกสัญญ์ก็ไม่เกิด และอาการที่จิตผูกนั้นมักจะทราบที่ปรากฏเป็นตัวฉันทราคะความ ใจยินดีพอใจหรือว่าตัวปฏิฆะกระทบกระทั่งใจในเมื่อเป็นสิ่งที่ชอบก็เกิดความติดใจ ย, ยินดีพอใจเมื่อเป็นเรื่องที่ไม่ชอบ ก็เกิดความกระทบกระทั่งใจถ้าเป็นเรื่องที่ไม่พอจะให้ชอบหรือชังก็รู้สึกเฉยๆบางทีก็ปล่อยผ่านไปผ่านไปเรื่องที่เป็นกลางๆนี้จะมีผูกบ้างก็เล็กน้อย แต่เรื่องที่ปรากฏเป็นความชอบก็ตามเป็นความชังก็ตามต้องเป็นเรื่องที่มีความผูกอันเรียกว่าสัญญน์ก่อนคือใจจะต้องผูกหรือว่าสิ่งนั้นมาผูกที่ใจใจไม่ปล่อยและเมื่อใจผูกดังนี้จึงเกิดความชอบหรือความชัง ตัวความชอบหรือความชังนี้แยกกันยากกับตัวความผูกเพราะฉะนั้นท่านจึงคีสุดที่เดียวว่าสัญญอดคือความผูกนั้นก็คือตัวชันธราคะคีเอาชันทราคะความติดใจ ย, ยินดีพอใจขึ้นมาเป็นประธาน แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ย่อมจะเกิดปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจแต่ว่าปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งใจนี้ก็จะต้องมาจากสัญญาต์คือความโูกก่อนต้องมีสัญญาต์คือความโูกก่อน พิจารณาดูให้ดีจึงจะพบตัวสัญญาตคือความผูกนี้คือในขณะที่ปล่อยจึงจะเห็นว่าปล่อยยากเวลาชอบก็ถอนความชอบยากเวลาชังก็ถอนความชังยาก ตอนนี้เมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่าเพราะเหตุว่าถอนความผูกไม่ได้นั่นเองคือใจผูกใจไม่ปล่อยถ้าใจปล่อยได้ไม่ผูกชอบหรือชังก็ตกไปแต่ที่ชอบหรือชังนั้นยังครอบงำจิตใจอยู่ก็เพราะว่าใจผูก ความกำหนดจับวาระจิตหรือกระแสจิตในขณะที่อาจิตนาภายในภายนอกประจบกันอยู่เป็นประจำนี้ตาหัดทำใหม่ๆก็จะจับไม่ค่อยจะทันแต่ว่าตาหัดจับพิจารณาอยู่บ่อย ก็จะจับได้มากขึ้นละการที่จับพิจารณาดูบ่อยๆนี่อันที่จริงก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันธรรมนี้เองคือว่าตั้งสติกำหนดอายตนะภายในและภายนอกที่ประจบกันอยู่ที่เป็นปัจจุบันนี้แหละ ให้มีสติกำกับอยู่ดังนี้เป็นการที่เป็นการที่ปฏิบัติทำสติกันจริงๆเป็นการปฏิบัติทำสติในการใช้และคอยจับดูตัวจิตนี้ ผูกหรือไม่ผูกและเมื่อเกิดความชอบหรือความชังตัวให้รู้แล้วก็ให้รู้ว่านี่แหละเป็นตัวผูกหรือว่าเกิดจากความผูกเมื่อยังผูกอยู่เพียงไรก็ย่อมจะมีความชอบหรือความชังอยู่เพียงนั้นเมื่อดับความผูเมกเสียได้ถอนความผูกจะได้ ความชอบหรือความชังก็ย่อมจะตกไปดังนี้เป็นการหัดปฏิบัติธรรมะจะเรียกว่าเป็นขั้นธรรมานุปัสสนาก็ได้ซึ่งอาจหัดปฏิบัติได้เป็นประจำและคราวนี้ก็หัดจับ ให้รู้จักตัวธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตว่าอันตัวสัญญต์คือความโผกก็ดีความชอบหรือความชังก็ดีนี่เป็นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตนั่นเองแต่ว่าเป็นอกุศลละธรรม ส่วนสติที่กำหนดอยู่นี่ก็เป็นสติและอันนี้แหละที่เป็นตัวธรรมานุปัสสนาในขั้นปฏิบัติสตินี้เป็นกุศลละธรรมธรรมะที่เป็นกุศลหัดทำความโลกและเมื่อจะหัดกำหนดให้ ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นก็หัดกำหนดต่อไปว่าอาจิตนะภายในอาจิตนะภายนอกที่มาประจบกันอยู่นี่ก็คือตัวกาย จึงอาจจะปฏิบัติตั้งสติกำหนดดูตากำหนดดูรูปตากับรูปที่มาประจวกกันว่า น, นี่ตานี่รูปในขณะที่ตาเห็นรูปหูกับเสียงก็เช่นเดียวกัน จมูกกับกลิ่นก็เช่นเดียวกันเล้นกับรถก็เช่นเดียวกันกายและสิ่งที่กายถูกต้องอั น, นกบุคคลธรรมะก็เช่นเดียวกันมโนคือใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจก็เช่นเดียวกันและโดยที่เรื่องราวที่บังเกิดขึ้นในใจนั้น ก็เป็นเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องผธภละนั่นเองเพราะฉะนั้นในขั้นนี้จึงได้สรุปรวมเข้าไปในคาว่ากายยังไม่ต้องแยกเอาคู่ที่หกคือมโนกับธรรมะเป็นใจเพราะว่าเรื่องทั้งหลายีเรียกว่าธรรมะอันผลขึ้นในใจ ก็ล้วนเป็นเรื่องรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวซึ่งนับประปุกรั้เป็นส่วนรูปปะกายนั่นเองแต่มันเป็นอารมณ์อยู่ในจิตก็เอาเป็นว่ารวมเข้าในหมดกายไว้ก่อนยังไม่แยกเมื่อ น, นีเป็นกาย และอันนี้แหละก็จะเป็นกายานุปัสสนาได้คราวนี้ก็กำหนดจับเวทนาต่อไปคือว่าเมื่อตากับรูปเป็นต้นจึงเป็นส่วนกายนั้นมาประจบกัน ก็ย่อมจะเกิดความสุขบ้างเกิดความทุกบ้างเกิดความกลางๆางไม่ทุกไม่สุขบ้างเช่นว่าเมื่อตาได้เห็นรูปที่พอใจก็ย่อมจะเกิดความสุขใจเมื่อตาเห็นรูปที่ไม่พอใจก็ย่อมจะเกิดความทุกใจ สุขทุกดังนี้เป็นเวทนาที่บังเกิดขึ้นอยู่เป็นอันมากทุกคราวที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกปะโจบกันดังนี้ก็หัดทำสดิกกำหนดว่านี่เป็นเวทนาก็จะเป็นเวทนานุปัสนา คราวนี้ก็ทำความรู้ว่าเมื่อเป็นดังนี้กนได้กล่าวว่ากายปรุงเวทนาต่อจากนี้ก็หัดกำหนดดูจิตเพราะเวทนานี้เองเป็นตัวปรุงจิต สุขเวทนาก็ปรุงให้เกิดชั้นธาราคะหรือความชอบทุกขเวทนาก็ปรุงให้เกิดปฏิฆะหรือโทสะความชังเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรุงให้เกิดโมหะความหลงเพราะเหตุว่าไม่รู้ตามความเป็นจริง ในตอนนี้จึงเป็นช่วงที่ขันกับกิเลสต่อกันคือลําพังกายดังที่ได้แสดงในวันนี้คืออายจาระภายในภายนอกที่ประจบกันกับเวทนา เป็นเรื่องของขันคือรูปประคันเวทนาขันอันรูปประคันกับเวทนาขันนั้นเป็นบิดาขันไม่เป็นตัวกุศลไม่เป็นตัวอกุศลแต่อย่างไร ก็ เ, เป็นมีบากขันคราวนี้เมื่อมาเป็นเวทนาขึ้นเวทนานี้เองก็เป็นที่ต่อของกิเลสเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทจึงได้มีแสดงว่าเวทนาปฏิญาตันหา พระเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาความริ้นรนทยานอยากเมื่อแสดงโดยกิเลสสามกองก็ได้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดราคะหรือโทสะหรือโมหะดังที่ได้กล่าวแล้ว เพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นจิตที่ประกอบด้วยราคะประกอบด้วยโทสะประกอบด้วยโมหะก็ดูเข้ามาที่ตัวจิตนี้เองว่าเป็นยังไงในเมื่อได้มีเวทนาดังนั้นโดยปกติก็ย่อมจะพบว่าจิตมีราคะหรือโทสะหรือโมหะ ตรงนี้แหละที่ต้องตั้งสติคอยหัดจับให้ได้ว่าที่มีราคะคือชอบก็เพราะว่าได้สุขเวทนาจากกายจิตมีโทสะก็เพราะว่าได้ทุกขเวทนาจากกายจิตมีโมหะก็เพราะว่า ได้เวทนาที่เป็นกลางๆจากกายและไม่ได้พิจารณาให้รู้หัดตั้งสติจับทำความรู้รู้เท่าดังนี้แม้ว่าจะยังรู้เท่าไม่ชัดเจนนักก็ตามแต่ก็หัดทำความรู้เท่าเอาไว้ว่าเรื่องเป็นอย่างนี้และเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่า ได้ปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาพิจารณาจิตรู้จิตว่าเป็นยังไงและเมื่อได้รู้จิตว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ดูความเป็นอย่างไรนั่นแหละของจิตให้พบว่า บัดนี้ความชอบเกิดขึ้นบัดนี้โทสะความชังมันเกิดขึ้นบัดนี้โมหะความหลงมันเกิดขึ้นให้รู้จักว่านี่เป็นตัวนิวรณ์นิวรที่แบ่งไว้เป็นห้านั้นแยกเข้าขมาก็เป็นสามนี่แหละราคะโทสะโมหะนี่แหละให้ดูให้รู้จักว่าเป็นตัวนิบรณและต่อจากนี้ก็หัดพิจารณาจับ ให้รู้จักว่าตัวกิเลสคือนิวรณ์ที่ย่อเป็นราคะโทสะโมหะนี้ตั้งขึ้นที่จิตเพราะอาศัยเวทนาที่เกิดจากกายคือว่ารู ป, ปรขันธ คืออานะภายในภายนอกดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นรูปประขันเป็นตัวกายตัวกายปรุงกันขึ้นคือว่าตากับรูปเป็นต้นปรุงกันขึ้นคือว่าเห็นรูปนี่เป็นรูปประขันแล้วก็เกิดตัวเห็นรูปนี่อันที่จริงก็เป็นเวทนาขันย่อมมาก่อน แล้วจึงมาตัวเห็นรูปเป็นวิญญาณขันธ์ซึ่งมาก่อนแล้วจึงมาเป็นเวทนาก็กำหัดกำหนดดูตัวเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้เรยรู้จักดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเวทนาขันธ์ แล้วก็กำหนดดูให้รู้จักต่อไปว่าเมื่อเกิดเวทนาขันแล้วเมื่อว่าในสายของขันก็ย่อมจะเป็นสัญญาขันคือจำหมายแล้วก็เป็นสางขาระขันคือคิดปรุงหรือปรุงคิดและในลำดับขันนั้นท่านจึงเวทแสดงถึงวิญญาณขัน คือตัววิญญาณหมายถึงว่าตัวเห็นตัวได้ยินตัวได้ทราบกลิ่นทราบรสทรผะพระและตัวคิดรู้เรื่องราวนั้นเองก็เป็นวิญญาณอคติในขันห้านั้นเอาวิญญาณอคติมาไว้เป็นทีห้ 5. ฉะนั้นหากพิจารณาจับตัวขันทางสายกายที่ตั้งตนหรืออาจตนาดังกล่าวมาแล้วตามลำดับก็จะต้องเกิดวิญญาณขึ้นก่อนอาจตนาภายในภายนอกประจบกันก็เกิดเป็นวิญญาณ คือวิญญาณอคติ น, นั่นเอง